มงคลชีวิตมงคลที่16การประพฤติ ธ, ธรรมธรรมจริยาจะเอตามังคลมุตตามการประพฤติ ธ, ธรรมหมายถึง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 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆและการแสวงหาทรัพย์ด้วยสุดจริตเก็บรักษาทราพัพย์คบมิตร ด, ดีและเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ทรัพย์เป็นต้น 2. องทำขั้นกลางได้แก่การรักษาศีลหศีล8อุโบสถศีลและกุศลกรรมรบททั้งหลาย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 หรือการดูเริกยามเป็นต้นการประพฤติ ธ, ธรรมจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ตนเองก็เป็นสุขผู้อื่นก็เป็นสุข 2. เป็นผู้พ้นกิเลสและทุกข์ 3. จักเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปทั้งหลาย 4. เจริญด้วยบุญเป็นอันมาก จักเจเริญด้วยพ่อขศัพท์สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ